พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบเอ็ดพระสูตรที่แปดสิงคาละกะสูตรสูตรว่าด้วยสิงคาละกะมานพพระผู้มีพระภาคประทับณเวรุวันคือป่าไผ่ใกล้กรุงราชครืเช้าวันหนึ่งเสด็จสู่กรุงราชครืเพื่อบินธบาทได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาละกะมานพมีผ้าเปียกมีผมเปียกไหว้ทิศทั้งหกอยู่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 คือการกระทาที่เศร้าหมองมีสี่อย่างที่อริยะสาวกละได้คือหนึ่ง่าสัตว์ 2. ลักทรัพย์ 3. ประพฤติผิดในกาม 4. พูดปดไม่ทำความชั่วโดยฐานะสี่อริยะสาวกไม่ทำกรรมชั่วโดยฐานะสี่คือถึงความลำเอียงเพราะรักเพราะชัง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 เกียดคร้านครั้นแล้วส่งแสดงโทษของอบายมุกแต่ละข้อข้อละหกอย่างมิทียมสี่ประเภททรงแสดงมิทียมคือมิตรปฏิรูปกะสีประเภทคือหนึ่งมิตรปอกลอกสองมิตรดีแต่พูดสมมิตรหัวประจบสี่ มิจชวนในทางเสียหายพร้อมทั้งแสดงลักษณะของมิรเทียมทั้งสี่ประเภทนั้นประเภทละสี่ประการมิจแท้สี่ประเภทรร ท, รเภ ท, ทรงแสดงมิจแท้สี่ประเภทคือ 1. มิรมีอุปการะ2มิตร่วมทุกข์ร่วมสุข 3. มิจแนประโยชน์ 4. อนุกรรมประกะ คือมิตรอนุเคราะห์พร้อมทั้งแสดงลักษณะของมิตรแท้ทั้งสี่ประเภทนั้นประเภทละสี่ประการสําหรับข้ออนุ ก, กรรมประกะหรือมิตรอนุเคราะห์นั้นในนวโกวาดใช้ว่ า, วามิตรมีความรักใคร่คือทุกทุกด้วยสุขสุขด้วยโตเถียงคนที่ติเตือนเพื่อนรับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนส่วนมิตรมีอุปการะประเภทแรก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 หมายถึงมิตรอย่างเดียวหทิศเบื้องล่างได้แก่ธาตุกรรมกรหกทิศเบื้องบนได้แก่สมณะพรามคำว่าพรามก็เหมือนกันเป็นํำนวนแปดกับคำว่าสมณะคงหมายเฉพาะสมณะครั้นแล้วทรงแสดงการปฏิบัติต่ตอบุคคลทั้งหกประเภทที่เปรียบเหมือนทิศหกเหล่านี้ป่ายละห้าประการ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 พระสูตรนี้ชาวโยุโรปเลื่อมใสกันมากว่าจะแก้ปัญหาสังคมได้เพราะเสนอหลักทิศหกอันแสดงว่าบุคคลทุกประเภทในสังคมควรปฏิบัติต่อกันในทางดีงามไม่มีการกดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงไปอันหนึ่งในที่นี้ไม่ได้แปลรายละเอียดทั้งหมดเพื่อรวบรัดผู้ต้องการทราบรายละเอียดโปรดอ่านหนังสือนวโกวาตซึ่งพิมพ์แพร่หลายแล้วนับจานวนล้านฉบับ